ตั้งใจเนอะ่เข้าพรรษาสินนี้เป็นสินที่สามแล้วได้ให้พากันตั้งอกตั้งใจของตนทุกทุกคนสร้างบำเพ็ญบารมีเราสะสมไว้ความดียังจะได้พบปะพุทธเจ้านะคำว่าตั้งใจที่ไม่ได้พบปะใจได้นะโมตสาภคะวัตู อรหัตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะตุอะระหัตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะตุอะระหัตสัมมาสัมพุทธัสสะสีละปมีสัมปันโน อิติปิโสภควาสีละอุปปาลามีสำป น, นุอิติปิโสภควาสีละปลัลมาถะปัลามีสำป น, นุอิติปิโสภควาตินาบัตินี้จะได้เสน้นแดงในสีละปัลามี คือพระพุทธเจ้าของเราเมื่อเขาสร้างบำเพ็ญบรารมีรักษาศีลเป็นอันความบริสุทธิ์ที่สุดเลยในยุคสมัยเมื่อตัวของท่านเป็นพมนโลดแปลว่ารักษาศีลของตนที่บริสุทธิ์ที่สุดหาที่เปลียบไม่ได้ เมื่อเขายัางเป็นคนหนุ่มกุ ม, มารอยู่เป็นคนที่รูปร่างสวยงามมีลัมีออกในภกายแต่ว่าไม่ได้เป็นปุริษาลาัคนะแต่งามที่สุดตั้งผิวพันวันนะท า, ทางลัศมีทางรูปล่างสมส่วนทุกประการ ในทางเกิดในฐานฐานะอันสูงเป็นพรามอันผู้ใหญ่ที่สุดทางตระกูลพ่อทางตระกูลแม่จนความเล่าลือมดทั่วโลกว่าผมนลอดเป็นคนที่มีรัชมีและลูกงามผิวงามที่สุดในโลกกระสัตติย์ต่างๆกระต่างคนต่างเดินไปชมรูป ก, กายของผมนลอด เห็นแล้วก็ขอกับพ่อแม่ของเขามั่นขอให้เป็นลูกเขยของข้าไม่ให้เอาคนอื่นให้เอาลูกสาวของข้าเศษฐีมาก็อย่างนั้นพรามมาก็อย่างนั้นกษัตริย์ต่างๆมากะอย่างนั้นพ่อแม่เราเกิดความทุกข์ใจโอ้ลูกนี่จะตายคราวนี้แน่นอน ไม่ต้องสงสัยเขาจะฆ่าแน่นอนคันเอาคนนี้คนนั้นเขจะฆ่าขันเอาคนนั้นคนนี้ก็จะฆ่าต้องตายแน่นอนเลยลูกชายเลยเห็นพ่อแม่ได้รับความทุกข์ลาบากเลยถามว่าพ่อแม่เอ๋ยอย่าไปทุกข์เถดเรื่องของเหล่านี้ลูกจะแก้ไขเองเอาลูกจะแก้ไขอย่างไร ขอให้พ่อแม่อนุญาตให้พ่อแม่อนุญาตแล้วก็จะแก้ไขให้ได้ทันทีพ่อแม่อสุลแล้วจะรูปพิธีมาความคิดคมอ่านของลูกจะแก้ไขวิธีไหนพะว่าเท่นั้นแล้วพมารอดก็เข้าไปในห้องกัจลูนอนาปานุสติแลลึกถึงลมหายใจเข้าออกกับระลึกถึงบารมีของตน ที่ได้สร้างบำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อันีกระชาติเลยองค์ชาญโกรธขึ้นทันทีบริบุญได้ทันทีก็ออกมาลาพ่อแม่บอกว่าจะหนีไปอยู่ทางไกลไม่ใครๆได้พบปะได้ทางนั้นพ่อแม่ก็บอกว่าไปเธอะลูกขอให้พ้นภัยอันตราย ก็เลยชานไปเลยทันทีก็ไปลงกลางมหาสมุทรลงไปแล้วคนนีมิตรภาะสาทอยู่ใต้พื้นมหาสมุทร <c oughs> ตนของตนบำเพ็ญบรารมีอยู่จนตลอดไปถึงเจ็ดวันก็ออกมาบินทะบาทข้างหนึ่งเอาไปฉันทำอย่างนั้นอยู่จนตลอดกันมา ในเมืองมิถิลามีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อลาชื่อว่าอังคติราชเป็นความเห็นผิดว่าโลกหน้าไม่มีตายแล้วก็ละลายกันไปผู้ต้องการจะมาเกิดก็ต้องมาเกิดกันไปผู้ไม่ต้องการเกิดก็ละลายไปเหมือนควันบุหรี่ขึ้นท้องฟ้า ผู้ที่เป็นลูกสาวนางวิละนางลูกสาวพนลงมาจากสวรรค์แปลว่าในร้อยดอกไม้ได้พวงมาลัยลอกพวงหนึ่งถวายอินาทาศิลาได้ชิมหกปีในเมืองมนุษย์ระลึกชาติของตอนในโลกหน้ามีและพวก คนทั้งหลายศีนาทิบดีทั้งห้าผู้เสนาทิบดีผู้ต้นผู้ใหญ่ซักชวนให้พมพากันไปหาบัณฑิตหนักปลาทั้งหลายจะได้แนะนำสั่งสอนพวกเราจะได้มีการเกิดแก่จิบตายในโลกจะได้สร้างบำเพ็ญความดีของตนต่อไปภายข้างหน้า เสนาธิบตีผู้ที่สามข่าศิลิตแล้วนี่ได้เป็นคนข่าควายข่ามาตังแต่อายุ26ปีจนได้ถึง75ปีแล้วข่าก็ตายจากนั้นก็ได้มาเกิดวัดิวนี่เองไม่มีโลกหน้าบุญบาปไม่มีข่าควายว่าเป็นบาปทำไมข่าถึงไม่ได้ไปตกนรก ว่ามีในลกข้าต้องการอยากจะเกิดข้าก็ได้มาเกิดบัดเดี๋ยวนี้เองได้เป็นเสนาธิดีผู้ที่สามผู้ที่ทำกินเลี้ยงความมหากริย์ผู้นั้นแปลว่าได้เป็นมหาเศรษฐีใหญ่ที่สุดตนของตนรึกชาติผนหลังในทุกประการ ได้ไปเอาทรัพย์สินเข้าของที่ฝังไว้แล้วในพื้นเอาขึ้นมาแบ่งปันลูกปันหลานคนนั่นคนนี้มดทุกคนในชาติกูลของเศรษฐีจะแกะว่าข้าผู้ที่เป็นเศรษฐีไม่ได้ทำสิ่งอะไรว่าจะไปตกนรกก็ไม่มีว่าจะไปสวรรค์ก็มีข้ายังในมาเกิดเป็นมนุษย์แปลว่าโลกหน้าไม่มี อันนี้เปลวความเห็นผิดของเขาโตว่าทีกันอยู่ตลอดเป็นนิดผู้ที่เป็นลูกสาวลางรุจจานางว่าต้องมีโลกเบื้องหน้าเอากันอยู่อย่างนั้นตลอดกันมาเป็นนิจจ ก, การเศรษฐีคู่อย่างหนึ่งวัดชักชวนให้ไป หาเครื่องการพ น, นันมาเล่นสนุกสนานจะได้มีความพระล่าเริงตลอดไปผู้หนึ่งว่าต้องไม่ดีอย่างนี้ไปหาสาวน้อยหนุ่มมาบําเลอกันคัดเลือกมานางสาวมีที่ไหนในประเทศของเราและต้องหาเงินคํำให้เขาใช้าจานกินได้ตามความสบายใจ คนหนึ่งว่าเน้นการพ น, นันอย่างสนุกสนานที่สุดคนหนึ่งว่าอย่างหนึ่งคนหนึ่งก็ว่าอย่างหนึ่งเกษตรนาที่บุดีผู้ใหญ่นะว่าต้องไปหาบัณฑิตผู้ที่รู้จักโลกนี้โลกหน้าผู้รู้จักความดีและความชั่วประกันเลยได้ต่างคนต่างแก่งแย่งกันอยู่ตลอดเป็นนิส พยาอังคิเตลาผู้จะเป็นกษัตริย์ในเมืองมิถิลาคนนี้แปลว่าข่าวโลกหน้าไม่มีบุญบากไม่มีความดีชั่วไม่มีคนเราเกิดขึ้นมาแล้วต้องอาศัยหากินของตนตะหาใครหาได้ถูกต้องล็อกจังหวะคนนั้นก็ลํำรวยขึ้นมาได้ คนไหนหาไม่ถูกต้องคนนั้นก็ต้องทุกอย่างอันนี้ได้เกโลกต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปต่เกไปหาอาจิลกะอจิลกะบวชมาได้แล้วได้ยี่สิบห้าปีทนทานอยู่คนเดียวมันมีผ้าหนงผมทนทุกข์ลาบากอยู่ตลอดเป็นนิด ต้องดังไปเสียงตลอดกันไปถามตะเกตะเกก็ว่าข้าพเจ้าดัดแปลงใจของข้าเพื่อต้องการให้ได้เกิดที่ความจุดหมายที่ต้องการปรารถนาโลกหน้านั่ไม่มีบุญบาปไม่มีนโลกสวรรค์ไม่มี คนเราต้องการอย่างไรต้องไปอย่างนั้นเพราะอาตา ม, มาต้องการอยากให้เกิดที่จุดของตอนอย่างไดก็ต้องดัดใจของตอนอยู่อดทนตลอดกันมาแน่แน่แน่แน่เขาบวชมานานแล้วถึงยี่สิบห้าปีเขาทนทานเขาก็เห็นอย่างนี้ตลอดไปอันมือนว่าโลกหน้ามีเห็นความเห็นคนดูใครจะเชื่อเล่า ผู้พ่พอว่าให้แกนางรุดยาอันยังนั่นตลอดไปเป็นนิดโต้วาทีกันอยู่ตลอดกันไปวันหนึ่งละดูร้อนขึ้นไปตากอากาศอยู่เบื้องบนยามกลางคืนลูกสาวก็เลยเอพ่อในสันเป็นมิสาทิฏฐิความเห็นผิดว่าโลกง่าไม่มีเลยชักเทเทพระเจ้าทั้งสี่ทิ ขอให้ภูมิลิธานุภาพอำนาจในโลกจงมาทรมานสั่งสอนพ่อของข้าพระเจ้าผู้ความเห็นผิดในเวลาปฏินีทถจะมีอยู่ท้ในใดสถานใดใต้พื้นแผ่นดินบนอากาศก็กันในใดขอสักเทถ้าพระเจ้าเท่านั้นเองความไหว้วนของนางลุกยางและพมณล แสงสว่างตุ้งไปถึงทันทีผมนั่ลอดกระลุกขึ้นจากที่สัมมาธิก็ขึ้นมาจากขึ้นใต้มหาสมุทรก็ชาดมาชงบนอากาศก็มายืนอยู่ในทิวบนหัวสูงที่กว่ากริย์ทางลูกสาวนี่นี่พ่อมาแล้วพอ่อเอ้ยมาแล้วนี่นี่ว่าลูกหน้าไม่มีอย่างไรพ่พอพ่ออ้า เอท่านมาจากที่ไหนมาจากโลกหน้าทำไมตัวท่านยังยืนอยู่ในดอกบัวบานลับโอ้อนิส้สงทานทำไมผิวพรรณของท่านยังสวยงามโอ้อันนส้สงทานทำไมท่านยังอยู่ในอากาศได้เล่าอันนี้สงสินอนิี้สงการเมตตาอยู่อย่างนี้ตลอดไปเมื่อวาอย่างนั้นแล้ว โลกหน้ามีจริงไหมมีจริงถ้าอย่างนั้นข้าพระเจ้าจะขอหยิบเงินท่านสามพันตำลึงเมื่อข้าพระเจ้าไปแล้วข้าพระเจ้าจะใช้เก้าพันตำลึงท่านจะให้ไหมให้แต่ว่าขอถามมหาบุพพิตรก่อนบัดเดี๋ยวนี้ในพระนครนี้มีขอกขังเรือนจําของนักโทษมีไหม มีโทษอะไรที่เขามาติดขอกติดขังโทษตีพ่อตีแม่ก็มีโทษลักซุกยึงของสิ่งของก็มีพว โ, โทษแห่งการยักยอกเขาของก็มีโทษแห่งการพ้นวีก็มีโทษแห่งกันหลายอย่างหลายประการโทษแห่งเป็นหนี้เป็นฉินใหมไหมมีทั้งไป วดเดียวนี้คือเจ้าหนี้เจ้าสินเขามาทวงหนี้ไหมเอาทวงได้อย่างไรนักโทษเห่านั้นต้องกิงเข้ารัฐบาล น, นุ่งผ้ารัฐบาลรัฐบาลต้องเลี้ยงดูตลอดทุกรายการมันได้อะไรกันแล้วไม่มีอะไรแล้วเจ้าของหนี้ทวงก็จะได้กันอย่างไรเออมันเป็นด้วยเหตุไหเพราะเขาเป็นคนที่ ไม่รักษาระดับความดีทุกประการนั่นเองนีละทั้นใดพระมหาบุพพิตรที่ทวงต้องการหยิบเงินกับอาตมาว่าสามพันตำลึงเ๋ยวนี้พระมหาบุพพิตรศีลไม่มีทานไม่มีมเมตตาไม่มีสงเคราะห์คนเข้าคนเก่ไม่มีไม่มีอะไรเจ็ดอย่าง ตนของตนนั่นเองไม่ได้ถือความเห็นผิดอยู่ในจิตของตนตลอดเป็นนิจกาเมื่อตายแล้วก็ไปตกขอบขังโลกหน้าอาตมาจะไปทวงนี่ได้อย่างไรเพกเป็นคนจิตขอบขังแล้วเอาอะไรมาใช้ให้อาตมาแล่าเพราะว่าอย่างนั้นแ่ะตะแกก็เลยหมดหนทาง โอกระทานอย่างนั้นก็ให้ข้าพระเจ้าทำอย่างไรจึงจด้เห็นโลกหน้าผมนาลอดจึงเนี่บอกว่าหนึ่งการให้ทานสองมีเมตตาสามสงเคราะห์คนเท่าคนเก่เกทุนทละลราคำค่าต้องดูแลกันไปจะไปใช้สัตว์ทั้งหลายที่อายุเก่แล้วตองปล่อยให้อยู่ตามยัธกรรมของเขา ฉีตนของตนนั่นเองต้องเป็นคนภู ม, มิสินอยู่เสมออยู่จนตลอดไปและการแบ่งปันมีตลอดกันไปเป็นนิจจิตของตนจึงจะของใสสะอาดจึงจะได้ไปโลกหน้าเหมือนกับอาตมาที่ยืนอยู่บนอากาศในเวลาบัดินี้เองเมื่อเทศให้อย่างนี้แล้วอิทาอังคติละ ผู้เป็น ก, กษัตริย์นั่นเองได้ตั้งใจคุกเขาขึ้นมากราบไหวพรมนารอดขอสมทานกติกาสัญญาสัจจะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นต่อไปข้าพระเจ้าจะรักษาสินห้าข้าพระเจ้าจะรักษาสินอุโปโปดถึงวันแฝกคำสิมาคำตลอดไปใ น, นชีวิตและจะมีการแบ่งปัน และมนุษย์ทางหลายสงเคราะคนเท่าเก่และสัตว์ทั้งหลายภาหนะที่เกอแล้วจะไม่มีการทรมานและให้เขาปอยอยู่ตามนัยตกรรมของเขาพกช่างพวกมาพวกโคทั้งหลายต้าเกตั้งสั จ, จดิอย่างนี้แล้วพมนาลอกก็ได้เทศนาสั่งสอนที่แสดงให้ตนของตนเจริญ เมตตาให้สัตว์ทั้งหลายอยู่ตลอดเป็นนิดตนของตนได้เป็นพระมหากษัติย์มาในเวลาบัดนี้คุณสมบัติความดีที่ได้สะสมกันมาแล้วได้เบืองหลังแต่ก่อนเก่าอาดีตเป็นมาลาตะเสนาคนที่เห็นว่าโลกหน้าไม่มี ชีวิตแล้วเขาฆ่าควายจะอายุจริงหกปีเป็นความจริงอายุเจ็ดสิบห้าึงถึงได้เลิกในการฆ่าควายแต่ว่าหลังหุ่นไปอีกเขาได้ปฏิบัติประเจกับพุทธเจ้ากับพ่อของเขาเมื่อตายชีวิตนั้นได้มาเกิดเป็นคนฆ่าควายตายจากคนฆ่าควายนี่แล้ว เขาได้มาเกิดเป็นเสนาทิบดีเขาตายจากเสนาทิบดีนี่แล้วเขาจะได้ไปตกนรกสวยบาปกรรมของเขาที่ทําความชั่วไว้แล้วอันนี้ได้แก่เสนาทิบดีผู้ที่สามผู้เสนาทิบดีผู้ที่หนึ่งผู้นั้นเขาพักไปในบัณฑิตในชีวิตของเขาเป็นมาตลอดเป็นนิดเขาจึงมีความคิดความอ่านอยู่ตลอด เะแสวงหาหนทางของตนต่อไปภายหน้าคือความสุขความสวัสดีเป็นมนุษย์และเป็นเทวดาตลอดกันไปเรานี่เองเราไปเชื่อบุคคลชักจูงในทางที่ไม่ดีไม่ถูกต้องลาตะเสนาตั้งกันนั้นมาได้ตั้งใจบริจาคทานตั้งใจในการรักษาสิหา ตั้งใจรักษาในศีลอุโปโสมตทั้งใจในการบำเพ็ญความดีของตอนได้แนะนำสังสอนเสนาเทพบดีทั้งห้าและแนะนำสังสอนไพลาสเดอนตลอดกันไปเป็นนิจจการเมื่อเวลาเขาตายจากชีวิตนั่นแล้วเขาจึงได้ไปสู่ความสุขความจเจริญอันนี้เรียกว่าบุ คนผู้ที่ความลุ่มหลงงม ง, งายของตนนางรุจยาคนนี้แต่ก่อนเคยบำเพ็ญบรารมีและเป็นคนรูปร่างที่สวยงามว่าจะหวานเป็นคนตีท้องและนางเจ้านางนายนางเศรษฐีพ่อข้านางเศรษฐีใดๆเข้ามาในการสีเครื่องประดับก็ต้องกา ร, รกเปลีปยนกันจิน พวกเหล่านั้นกินดีนำนาชั่งทองก็ให้นาชั่งทองกินตัวเจ้าของตัวเจ้าของก็กินนาชั่งทองกินกันไปกินกันมาอยู่อย่างนั้นตลอดไปตายแล้วจ้งได้รปตกนรกพ้นจากนรกได้มาเป็นผู้หญิงห้าราอยชาชาชุดท้ายได้มาเป็นนางลุดจานั่นเองผู้ที่เป็นลูกของพญาอังกฤิรา พยาอังติราชคนนี้เมื่อมาได้สำเร็จนั้นเป็นอุลุเวลากระปะแปลว่าพุทธองค์ได้เปทรมานในเมน่์นำในลันชลาปะอิทิมิกธะายวันแคว้นของเมืองพาราณศีอันอิตาลาตะสีนาอิตานั้นได้เกพ่พระเทวทัตผู้ความเห็นผิดของตนตลอดกันมา ผู้เสนาบดีผู้เบืองตอน้นอันนั้นเป็นภาษารีบุตรผู้เสนาทิบูดีผู้ผู้เป็นกุ๊กบอยนั้นทํากินนั้นได้เก่พระโมกคลาผู้ที่เป็นยาเสนาทิบูดีทางสามคนคนหนึ่งนั้นเป็นพระมหากษัตริยคนหนึ่งนั้นเป็นกาลุธาดี คนหนึ่งนั่นอีกเป็นอนุลุษ์ว่าอย่างนั้นฉันเหลือลืมนิดหน่อยอันนี้แปลว่าผู้ชักจูงให้เล่นการพ น, นันชักจูงให้กินเหล้าชักจูงให้หาสาวน้อยมาเสนาทางสามเพราะฉะนั้นในการที่ภูติเจ้าของเรารักษาถินเป็นพรมหน่อยรอดจึงได้ตั้งขึ้นว่า ศีลอาลมีสัมปันโนจิพิโสภควาศีลอุปปาลมีสัมปันโนจิพิโสภะควาศีลปรมัทะบาลมีสัมปันโนจิพิโสภะควาศิลบริสุทธิ์ที่สุดที่ตัวของท่านเป็นพรมนารถศิลมีอำนาจสูงที่สุดในคราวท่านที่เป็นพรมนารถ จึงได้ตั้งศีลปาลามีเป็นบาลามีของท่านในการบำเพ็ญมาตั้งแต่นึกในใจออกปราปัตนาได้รับพยากรณ์กันมาข่าวเป็นคุณนลอดเป๋วว่าสิลศีลปาลมีศีลอันสูงลิสุดศีลอันบริสุทธิ์ที่สุดของคุนลอดแต่ก่อนตัวของท่านในรักษาศีลและการให้ทาน และการตั้งใจบำเพ็ญความดีของตนใจก่อนมาเบื้องหลังเมื่อเวลามาเกิดเป็นภูมินลอดพ่อแม่เป็นพรามผู้สูงที่สุดตนของตนเกิดขึ้นมาลูกชายขนเดียวมีรัศมีออกในภร ก, กายและรูปร่างผิวพรรณวั น, นะงามที่สุดอันนี้เหลยกว่าใได้เกะคกโพธิสัตว์พุทธเจ้าของเราสร้างบำเพ็ญบารมี มาอย่างนี้อันบุคคลที่เกี่ยวเนื่องถึงกันประกันใดนๆพวเกเรานี้แปลว่าเป็นบริษัทบริวารร่วมเป็นหมู่พักพวกกันมาเป็นกลุ่มเป็นก่อกันตลอดมาเป็นนิดบางชีวิตก็ต้องมีการผาดพังลืมหลงงม ง, งายไปเป็นขั้งไปเป็นขาวไปตามธรรมดาจังเป็นบุตรชนสั่งเป็นอย่างนี้ตลอดไป อันนี้เรียกว่าศีลปลพมีจึงขึ้นเชื่อศีลเลนะสุขจริงยันติบุคคลผู้ที่จะไปสู่สวรรค์ก็ต้องอาศัยศีลเลนะโภกสัมปทาโภคสสมบัติคือสานิละหลางกายของคูมนลอดและโพคสสมบัติเครื่องใช้ช้อยในการเป็นมนุษย์ฐานะอันสูง นี่เรียกว่าสีเลนภูประสัมปทาสมบัติของร่างกายเนึ่งรัศมีผิวพันวันนะรูปร่างอันสวยงามภคขสมบัติทางนอกได้เก็เขาของเงินทองฐานฐานะประการใดใดสีเล น, นิพุติงยันติผู้จะไปสู่พระนิพพานสินที่บริสุทธิ์รักษากัรมาเป็นระดับ จนสามารถความดีชัยชนะจริงความชั่วใดๆในใจของตนจึงได้สําเร็จมาผลเป็นพระอาหารหันต์เกิดขึ้นในชีวิตของตนที่เกิดมาพวกเราญาติน้องทุกคนในเวลาบัดเดี๋ยวนี้หน้าที่ของตนทุกๆคนนั่นเองจะมีการเกิดต่อบไปจะได้เป็นเปรตเป็นผีเป็นสัต ว, เตว์เป็นมนุษย์เป็นเทวดาไปตกนรกไปสู่สวรรค์ นาที่ของพวกเราอันจะดำเนินต่อไปสูงสูงต่ำต่ำชีวิตใดที่เราเกิดผัดพลังไม่ได้คบปะบัณฑิตชีวิตนั้นก็ต้องไปสู่นรกชีวิตใดที่ตัวของเราได้เกิดคบปะบัณฑิตชีวิตนั้นก็ต้องได้ไปสู่สวรรค์อันนี้เพ่าเรียกว่าเป็นบุตรชนต้องเป็นไปอย่างนี้ตลอดไปเป็นนิ จนตัวของตัวนั่นเองได้สำเร็จเป็นอริยะบุคคลแล้วพ้นจากนารกพ้นจากตัดภพพ้นจากเปรดพ้นจากผีมีจหน้าที่เป็นเทวบุตรเป็นเทวดาระดับขึ้นไปเป็นพระอราหันต์ต่อไปภายข้างหน้านี่ให้เราคิดนึกในตัวของเราทุกคนถ้านึกในปัจจุบันบัดเดียวนี้ว่า บางวันใจของเราก็เกิดความยินดีส้างบาเพินความดีของตนบางวันก็ขี้เกียจขี้ข้านไม่ต้องการทวนไหวพระขวดมนต์กับกันเลยกินแหลวก็นอนกันไปเน่นกันไปไม่รู้เรื่องรู้ราวมิจนาที่ชนของตนเมาอยู่ตลอดไปเป็นนิดอันนี้ละเรียกว่าจิตของพวกเราคืนยังเป็นบุตรชน อันความชั่วใดๆเข้ารบกวนใจของตนตลอดไปปีนี้และความคิดความอา่านในจิตของตนจึงไม่สว่างสวัยตนของตนจึงเป็นคนที่วิ่งไปตามกระแสเห็นความมืดทั้งหลายในโลกอันความมืดเหล่านี้ความกังวลเหล่านี้พวกเราเคยปวดกันมาในโลกจากที่พบกิชาติเราเป็นสัตว์ก็ต้องหากิน ไม่จะเรื่องตื่นขึ้นมากว่วิ่งหากินนกก็ บ, บินหากินสัตว์ทั้งหลายก็หากินก็เรื่องกับกลัวความตายอยู่ทนนั้นเองในโลกเมื่อเราเป็นมนุษย์เราก็หากินกันไปอยู่ตลอดเป็นนิดเหมือนชีวิตของพวกเราบัดเดี๋ยวนี้เองนี่จะให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าเมื่อเป็นเปรตเป็นผีก็สวยผลความทุกข์ลองให้ตลอดไปเป็นนิจจากการ เมื่อเป็นเทวดากระเพิดเพลินล่าเริงบันเทิงตลอดไปเป็นนิดไม่มีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นสุดอายุของตนก็จุติลงมาเกิดในโลกเมื่อเกิดมาแล้วก็ได้ชานะอันดีกระเพิดเพลินกันไปต่ำเรื่องก็ลุ่มหลงงม ง, งายก็ต่ำลงไปนี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านในจนของตนทุกคนบัดเดี๋ยวนี้ที่พวกเราเป็นบุตรชนเพราะฉะนั้นอาตมาได้แสดง ในศีละบามีสำปญโนของพระพุทธเจ้าของเราที่ได้บำเพ็ญบารมีมาแล้วให้เราทุกคนจงระลึกในจิตในใจในชีวิตของตนทุกคนจะได้เป็นผลประโยชน์ของตนต่อไปภายข้างหน้าที่อาจจะมาได้แสงดงในศีละปบามีพอสุ้งคูณเกิดละเวลาอีวังโกมีด้วยปกาลเสะนี อยวัโกนวักศรวัฒกยสวากภวัฒกวนณวัฒกสุขวัฒกหตุสัพปธาอายุวักาทนวัฒกาศรีวัฒกายสวถกาภารวัฒกาวนณวัฒกาสุขวัฒกาหตุสัพาอวันโสุขังะลังนนดานี้ไม่ยางพนเตนบุสามะ ภูเกจมียังภูกะละนีย์